ปัญหาอย่าคาดหวงังหรือกากเกณฑ์เมื่อกล่าออกปฏิบัติในระยะสองถึงสามพรรษาแรกยังเชื่อตัวเองไม่ได้แต่พอได้ผ่านไปมากแล้วเชื่อวาราจิตตัวเองแล้วไม่เป็นอะไรหรอกถึงจะมีปรากฏการ์อย่างไรก็ให้มันเป็นมาถ้ารู้เรื่องอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็รงะงับไป มีแต่เรื่องจะพิจารณาต่อไปก็สบายท่านมหายังไม่ได้ทำดูเคยนั่งสมาธิเล่าใช่ไหมการนั่งสมาธินี่สิ่งที่ไม่น่าผิดก็ผิดได้เช่นเวลานั่งเราตั้งใจว่าเอาละจะเอาให้มันแน่ๆดูทีเปล่าวันนั้นไม่ได้เรื่องเลยแต่คนเราชอบทำอย่างนั้นอตมาเคยสังเกตมันเป็นของมันเอง เช่นบางคืนพอเริ่มนั่งก็นึกว่าเอาละ่ะวันนี้ยังน้อยตีหนึ่งจึงจะลุกคิดอย่างนี้ก็บาปแล้วเพราะว่าไม่นานหรอกเวทนามันรุมเอาเกือบตายมันดีเวลานั่งโดยไม่ต้องกาเกณฑ์ไม่มีที่จุดที่หมายทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มก็ช่างมันนั่งไปเรื่อยๆวางเฉยไว้อย่าบังคับมันอย่าไปหมายมัน่นอย่าไปบังคับหัวใจว่า จะเอาให้มันแน่ๆมันก็ยิ่งไม่แน่ให้เราวางใจสบายๆหายใจก็ให้พอดีอย่าเอาสั้นเอายาวอย่าไปแต่งมันกายก็ให้สบายทำเรื่อยไปมันจะถามเราว่าจะเอากี่ทุ่มจะเอานานเท่าไร่มันมาถามเรื่อยหรอกเราต้องตวาดมันว่าเฮ้ย hey, ไม่ต้องมายุ่งต้องปราบมันไว้เสมอ เพราะพวกนี้มีแต่กิเลสมากวนทั้งนั้นอย่าเอาใจใส่มันเราต้องพูดว่ากูอยากพักเร็วพักช้าไม่ผิดกระบางใครหรอกกูอยากนั่งอยู่ตลอดคืนมันจะผิดใครจะมากวนกูทำไมต้องตัดมันไว้อย่างนี้แล้วเราก็นั่งเรื่อยไปตามเรื่องของเราวางใจสบายก็เลยสงบเป็นเหตุให้เข้าใจว่าอำนาจอุปาทานความยึดมั่นนี้สาคัญมากจริงๆ เมื่อเรานั่งไปนั่งไปนานแสนนานเลยเที่ยงคืนค่อนคืนไปก็เลยนั่งสบายมันก็ถูกวิธีจึงรู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นกิเลสจริงๆเพราะวางจิตไม่ถูกบางคนนั้นเวลานั่งจุดทูบไว้ข้างหน้าคิดว่าทูบดอกนี้ไม่หมดจึงจะหยุดและนั่งต่อไป พอนั่งไปได้ห้านาทีดูเหมือนนานตั้งชั่วโมงลืมตามองดูทูปแม่ยังยาวเหลือเกินหลับตานั่งต่อไปอีกแล้วก็ลืมตาดูทูปไม่ได้เรื่องอะไรเลยอย่าอย่าไปทำมันเหมือนกับลิงจิตเลยไม่ต้องทำอะไรนึกถึงแต่ทูปที่ปากไว้ข้างหน้าว่าจวนจะไม่หมดหรื อ, อยังหนอนี่มันเป็นอย่างนี้เราอย่าไปหมาย ถ้าเราทำภาวนาอย่าให้กิเลสตัณหามันรู้เงื่อนรู้ปลายได้ท่านจะเอาอย่างไรมันมาถามเราจะเอาขนาดไหนจะเอาประมาณเท่าไหร่ดึกเท่าไหร่มันมาทาให้เราตกลงกับมันถ้าเราไปว่าจะเอาสักสองยามมันจะเล่นงานเราทันทีนั่งไปยังไม่ถึงชั่วโมงต้องร้อนรนออกจากสมาธิแล้วก็เกิดนิวรว่า แม่มันจะตายหรื อ, อยังกันนาะว่าจะเอาให้มันแน่มันก็ไม่แน่นอนตั้งสัจจะไว้ก็ไม่ได้ดังตั้งคิดทุกข์ใส่ตัวเองด่าตัวเองพยาบาทตัวเองไม่มีคนพยาบาทก็ เ, เป็นทุกข์อีกนั่นแหละถ้าได้อธิษฐานแล้วต้องเอาให้มันรอดตายหรือตายโน้นอย่าไปหยุดมันจึงจะถูก เราค่อยทำค่อยไปซะก่อนไม่ต้องอธิษฐานพยายามฝึกอดไปบางครั้งจิตสงบความเจ็บปวดทั้งร่างกายก็หยุดเรื่องปวดแข้งปวดขามันหายไปเอง